ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องคนว่ายากเพริวาัตาชาโดกโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ยี่สิบมีนาคม2546ณนาพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ นีมาฟังเรื่องมาฟังเรื่องอะไรรู้ไหมวันนี้มาฟังชาดกเรื่องคนว่ายากชื่อชาดกชื่อเพริวาทะชาดกอกลองฟังอยู่นะวันนี้ขึ้นไทเทนว่าดนตรีกีฬามหารศศพเป็นการละเล่นไม่ใช่การจริง ถ้าเล่นมากก็จะได้สังคมเล่นเล่นถ้าเล่นน้อยก็จะได้สังคมจริงๆดังนั้นคนว่ายากจึงเล่นมากเ อ, อ่อะละกีินีไตเติลน่ะตัวอย่างอะไี้อ่ะตอนนี้ลองฟังเรื่องราวดูซิพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่หน้าพระเชตวันมหาวิหารทรงกล่าวถึงภิกษุผู้ว่ายากรูปหนึ่ง แล้วรับสั่งเรียกตัวมหาได้ตรัสถามภิกษุนั้นว่าจริงหรือภิกษุที่ใครๆเขาบอกว่าเธอเป็นผู้ว่ายากสอนยากภิกษุนั้นกราบทูลตามตรงต่อพระผู้มีพระภาคว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระศาสดาจึงตรัสอบรมสั่งสอนว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ได้เป็นผู้ว่ายากในบัดนี้เท่านั้น แม้ในอดีตชาติการก่อนก็เคยเป็นผู้ว่ายากมาแล้วจากนั้นก็ได้ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาตินั้นเอาละนะฟังให้ดีว่าภิกษุที่เป็นผู้ว่ายากเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าชาตินี้เนี่ยไม่ใช่ว่ายากชาตินี้เท่านั้นนะชาติก่อนๆโน้นเคยว่ายากมาแล้วแสดงว่านิสัยยังไม่ค่อยเปลี่ยน เอาคนเรานี่เปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนง่ายนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนเข้าของเครื่องใช้ค่อนข้างเปลี่ยนง่ายแต่เปลี่ยนนิสัยนี่เปลี่ยนยากมากเลยอ้าไม่เชื่อลองดูสิถ้าใครไม่เชื่อลองดูจะรู้เลยว่าเปลี่ยนยากนะโดยเฉพาะเนี่ยจะไปเปลี่ยนคนอื่นเขาอ่ะยิ่งยากนะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะขนาดตัวเราเนี่ยยังเปลี่ยนนิสัยเรายังยากเลยใช่ไหมเพราะเราจะไปเปลี่ยนนิสัยคนอื่นเนี่ยมันยากยิ่งกว่านั้นอีกเยอะเยอะมากๆเพราะอะไรคนอื่นจะยอมเราง่ายๆเลยขนาดตัวเราเองอ่งบางทีเราอยากจะเปลี่ยนน่ยยังไม่ค่อยยอมเลยใช่ไหมมันยังดื้อกับกับเจ้าของอะ่ะมันยังดื้อหน้าดูเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไปเปลี่ยนคนอื่นเขาเขายิ่งยอมได้ยากใหญ่ อาตานีลองฟังเรื่องดูชาดกในอดีตการณ์ณนะแค ว, นะวนกาสีมีนครหลวงอยู่ที่เมืองพระรนสีพระราชาทรงให้จัดฉเฉลิมฉลองขึ้นคึกคื้ น, นมีทั้งกีฬาดนตรีมหรสพขับร้องฟ้อนลำทั่วพรนครในเวลานั้นไม่ไกลเกินไปนักจากนกครหลวงมีบ้านตำบลหนึ่ง เป็นที่อยู่อาศัยของนักดนตรีผู้ชนานาญการตีกรองคนหนึ่งพอเขาได้ข่าวว่าในเมืองพราราณสีกำลังจัดงานรื่นเริงเออเกิร์กก็คิดขึ้นว่าเราน่าจะไปแสดงการตีกรองที่ในเมืองตีกรองหาทรัพย์ใกล้ๆกับบริเวณที่เขามีมหรสพนั่นแหละคิดแล้วไม่รอช้าเขาจึงตราเตรียมกองและ ของจำเป็นพาลูกชายวัยรุ่นของตนเดินทางผ่านป่าใหญ่เข้าสู่เมืองหลวงทันทีนะตอนนี้ก็พูดง่ายว่าพ่อลูกนะพ่อนี่เป็นผู้ชำนาญการตีกองก็เลยจะพาลูกไปหากินพูดง่ายเขามีจัดงานกันคืนจะไปหากินในเมืองเมื่อได้ทำเลหากินแล้วทุกครั้งที่เปิดการแสดงผู้คนมากมายในเมือง นิยมชมชอบฝีมือการตีกรองของเขากับลูกมากจึงได้ซัพ์เป็นจำนวนมากกระทั่งสิ้นสุดงานฉลองก็นำซั์ที่หามาได้เดินทางกลับบ้านอย่างสุขสำราญใจระหว่างทางต้องผ่านป่าที่เป็นดงโจรพ่อได้ห้ามปรามลูกชายที่ยังคึกขนองอยู่ตีกรองไม่หยุดย่อนตลอดการเดินทางว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าตีกรองมาก อย่างเมามันสนุกสนานเกินไปนักเลยบริเวณแถวนี้ไม่ปลอดภัยอาจมีโจรร้ายได้จงรู้จัดหยุดยั้งการตีกองเสียบ้างจงตีกองให้เป็นระยะระยะเหมือนเขาตีกองนำขบวนในขณะที่คนใหญ่คนโตเดินทางไปที่ไหนหนเถิดนะคราวนี้พ่อก็เตือนลูกเพราะลูกเนี่ยเป็นวัยรุ่น น, นกำลังคึกขนองนะยิ่งกองยิ่งดนตี ยิ่งเป็นของอะไรพวกนี้มันยิ่งสนุกนะชอบเขาะเล่นข้ออะไรตอนนี้ก็ได้เงินมาเยอะด้วยใช่ไหมไปแสดงให้เขาดูแล้วเนี่ยเพราะฉนั้นก็เลยยิ่งโอ้โห ส, สุขสําราญบานใจใหญ่เลยนะยิ่งมีความสุขก็เลยโอ้ยิ่งข้ะไปตลอดทางแต่พ่อเตือนไปเลยบอกว่าอย่านะอย่าข้อตลอดทางนะข้อตลอดทางเข้ะเล่นๆข้อสนุกๆแบบเนี้ แถวนี้ผ่านดงโจร น, นะมันอาจจะมีโจรผู้ร้ายออกมาเล่นงานเราก็ได้แต่ให้เคาะเป็นระยะระยะระยะทำไมให้เคาะเป็นระยะเพราะว่าพ่อเขาบอกว่าถ้าเคาะเป็นระยะเป็นระยะเนี่ยมันเหมือนกับเวลาคนคนที่เขาจะเดินทางผ่านที่ธุรกันดาลหรือว่าที่ที่มีอันตรายอะไรพวกนี้เขาจะเดินทางกันเป็นขบวนนะาะกณ์สมัยก่อน เขาจะไม่เดินทางแค่คนเดียวหรือว่า2คนเขาจะเดินทางก็เป็นกลุ่มหรือว่าเป็นขบวนเลยเสร็จแล้วเขาจะมีเหมือนกับอย่างเงี้ยมีการดีซีตีเป่ามีการอะไรอะไรอะ่ะเหมือนกับแห่ผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะเหมือนกับบางทีเราเห็นไหมห น, หนังจีนอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีไนนมอ้ น, นั่น น, นำอ่ะมีเคาะไอ้นั่นตีไอ้นี่นำทางเพื่อที่จะเห็นว่าเนี่ยมีผู้ใหญ่เดินทางมาแล้วนะเขาก็จะเคาะเป็นเป็นระยะ ระยะระยะบอกให้รู้นั่นแหละนะอันนี้ก็เลยบอกว่าให้ข้อแบบนั้นนะอย่ามาข้อสเปซ ส, สปะอันนี้พอเตือนลูกชายไปแล้วแม้จะถูกผู้เป็นพ่อตักเตือนห้ามไว้แต่ลูกชายของเขากลับไม่เชื่อฟังยิ่งว่าก็เหมือนยิ่งยุโต้อตอบกลับโดยทันทีนะแทนที่จะเชื่อพ่อนะไม่ไม่เชื่อยังเถียงกลับอีกด้วย พ่อไม่ต้องกลัวลหรอกน้าฉันจะไล่โจนให้หนีไปด้วยเสียงกรองนี่แหละฉันจะตีกรองให้สนันวันไหวไปเลยนี่นะวัยรุ่นวัยรุ่นมักคิดอะไรแบบวัยรุ่นแต่มีเหมือนกันนะบางคนเนี่ยหัวงอกแล้วก็มีแต่คิดแบบวัยรุ่นมีเหมือนกันอนะ่ะอ้าวไม่เกี่ยงนะหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าบางทีเป็นคนแก่แล้วว่ายากสอนยากไม่ได้เหรอ โอ้โหบางทีจะดื้อยิ่งกว่าเด็กอีกนะคนแก่บางคนนะ่ะจนขนาดพระพุทธเจ้าบางทีตรัสไปยังไงว่าคนแก่ไปยังไงฮ ะ, นบบะคนแก่ที่บรรลุธรรมยากนะพูดง่ายๆก็คือสอนยากนั่นเองอขนาดพระพุทธเจ้ายังตรัสเลยอะ่ะคุณคิดดูเอาเพราะฉนั้นบางทีเนี่ยอย่านึกว่าเด็กดือ้อเด็กดือ้อเด็กดือ้อโอ้โหบางทีอะ่ะหัวงอกนี่แหละดื้อยิ่งกว่าหัวดําอีก บางทีอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่เกี่ยงเลยไม่เกี่ยงว่าหัวงอกหรือว่าหัวดํเพราะพระพุทธเจ้าท่านเกี่ยงอยู่ตรงที่เรียกว่าเด็กก็ตามอายุน้อยก็ตามหรืออายุมากก็ตามแต่ถ้าใครเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมมีการลดละกิเลสได้มากนะลดละฆะโทสะโมหะอะไรพวกนี้ได้มากนะคนนั้นน่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่ ส่วนใครนะที่ยังมีกิเลสนะตัณหามากยังแบบว่าทำอะไรก็ตามใจตัวเองดื้อรัน้นไม่ค่อยเชื่อฟังใครนะฉันอยากจะทำอย่างนี้ฉันก็ทำใครห้ามใครปรามอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อนี่แหละเด็กจะอายุเท่าไหร่ก็ตามจะอายุร้อยขวบก็ตามก็ออยังถือว่าเด็กเพราะนั้นไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้เกี่ยงตรงอายุมากอายุน้อยแต่เกียงตรงใครลดกิเลสได้มากกว่ากันคนยิ่งลดกิเลสได้มากแสดงว่าเป็นผู้ใหญ่มากคนที่ลดกิเลสได้น้อยแสดงว่าเป็นเด็กมากนะสำคัญที่ตรงนี้อ่ะตอนนี้ดูต่อนะว่าแล้วก็กรนนาตีกองไม่ขาดระยะเลยเสียงกองดังสะท้านสะเทือนกล้องทั้งป่าบริเวณนั้น ทำให้พวกโจรที่อยู่ในป่าพากันตกใจกลัวเพราะคิดว่าจังหวะกองเยี่ยงนี้คงเป็นขบวนมโหราณของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นแน่โอ้โหเพราะว่าเคาะดังสนั่นเลยใช่ไหมเคาะไม่หยุดเลยด้วยโกไอ้พวกโจรก็ตกใจแต่ก็เจอมึงนกนันหนีกันใหญ่เลยจึงยกพวกหลบหนีกันไปแต่หนีได้สักพักหนึ่งแล้วเสียงกองก็ยังดังติดต่ออยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด ไม่มีพักระยะเลยผิดปกติวิสัยยิ่งนักพวกโจรจึงเอาพวกโจรจึงนึกเอะใจสงสัยขึ้นมาต่างพากันรวมตัวเข้าแล้วหวนกลับไปแอบซุ่มดูจึงได้พบเห็นว่ามีเพียงสองพ่อลูกเท่านั้นไม่มีขบวนผู้อื่นใดเลยดังนั้นจึงออกจากที่ซ่อนตรงเข้าปร้นซับทันทีรุมทุบตีและแย่งชิงอย่าง แย่งชิงทรัพย์จากสองพ่อลูกอย่างง่ายได้แล้วพวกโจรก็จากไปปล่อยสองพ่อลูกที่บาดเจ็บและหมดทรัพย์ทิ้งอยู่ที่ตรงนั้นเองฝ่ายผู้เป็นพ่อพยายามพยุงกายของตนไว้แล้วตำหนิสั่งสอนลูกชายที่ว่ายากสอนยากว่าเพราะการไม่เชื่อฟังการดื้อรั้นเจ้าจึงตีกรองเกินประมาณการตีกรองเกินประมาณเป็นความชั่วช้า ทำให้ทรัพย์ที่เราได้มามากมายด้วยความเหนื่อยยากต้องจบพายไปหมดสิน้นนะก็ว่าลูกนะบอกเนี่ยนะเพราะไม่เชื่อฟังนี่แหละพระศาสดาคันทรงนําชาดกนี้มาแสดงแล้วได้ตรัสว่าลูกชายผู้ว่ายากสอนอยากนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้ว่ายากในบัดนี้ส่วนพ่อผู้เป็นนักตีกรองได้มาเป็นเราตถาคตเอง มือกองก็คืออดีตของพระพุทธเจ้านะมีหน้าถึงจําได้แม่นนักนะเล่าให้ภิกษุที่เนี่ยนะที่ว่ายากสอนยากนี้ฟังแล้วเขาก็จบอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าภิกษุรูปนี้ฟังแล้วจะเปลี่ยนนิสัยไหมนะเรื่องนี้เขาจบแค่นี้ก็เลยไม่รู้กันเพราะฉะนั้นต้องเดากันต้องเดากันเอง นะว่าจะเป็นยังไงแต่เดาคนอื่นน่ะมันรู้ยากบอกแล้วนะเดาคนอื่นยากเดาตัวเราเองดีกว่าเออว่าเรานี่เป็นคนว่ายากสอนยากหรือเปล่าเคยเอาลักษณะของคนว่ายากสอนยากเนี่ยมีอยู่สิบหข้อลักษณะของคนว่ายากสอนยากพระเจ้าเนี่ยท่านตรัสเอาไว้มีถึงสิบหข้อเราลองฟังดูว่าเราเนี่ย เป็นคนที่มีลักษณะอย่างนี้อยู่ไหม16ข้อเนี่ยเรามีสักกี่ข้อนะลองลองเอ่อะไรนะติ๊กๆดูนะว่า16ข้อนี้เรามีสักกี่ข้อถ้าครบทั้ง16ข้อนี่ก็โอ้โหใช้ได้เลยใช่ไหมร้ยเ0เเลยว่าดื้อมากอ้าวเราดูลักษณะของคนว่ายากคือหนึ่ง มีความปรารถนารามกรู้อำนาจปรารถนารามกนั้นคำว่ารามกเนี่ยแปลว่าคิดอะไรที่มันห ย, ยาบหยาบคิดอะไรที่มันเลว็วซ้ำนะที่มันร่ายกาที่มันรุนแรงอะไรบ้างที่ห ย, ยาบหยบะคิดเรื่องกามหยาบๆยาบคิดเรื่องโทรศัพท์หยาบๆยาบอยากจะฆ่าเขาอยากจะตบเขานะ อยากจะทำลายเขาอะไรงี้อ่านี่เป็นโทสะการนี่คิดหยับหยาบก็โอ้โหผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยคิดไปโน่นคิดไปหไปยับๆบคิดปเป็นเมถุนคิดเป็นอะไรไปนี่หยับหยาบนะหรือเป็นอัตตามานะคิดแล้วก็ต้องเอาชนะไอ้คนนี้ให้ได้นะจะใช้วิธีไหนอ่ะใช้วิธีเล่ยเลี่ยมกลโกงทุจริตอะไรก็แล้วแต่เอาชนะมันให้ได้นะคิดแบบหยับหยาบ นะอย่างเงี้ยเนี่ยคือข้อที่หนึ่งคือมีความปรารถนาลามกแล้วก็รู้อำนาจปรารถนาลามกนั้นหมายความว่าพอคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทําให้สําเร็จให้ได้นี่นี่คือจิตของคนที่จะว่ายากสอนยากข้อที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าถ้าเราเนี่ยบางทีเรารู้แล้วนะว่าโอ้โหตอนนี้เราคิดเลวแล้วเราคิดไม่ดีแล้ว แล้วก็ในความคิดของเราเนี่ยมันเริ่มคิดที่ว่าจะต้องทำอย like i mean, like ่างนี้ให้ได้อย่างเช่นบางทีเราเกลียดใครสักคนเนี่ยเราเริ่มคิดแล้วนะเดี๋ยวถ้าเจอ้คนเนี้ยเดี๋ยวจะด่าให้อ่าเราคิดไปแล้วนะนี่คิดไปแล้วแล้วก็คุณตั้งใจไว้เลยนะเดี๋ยวเจอคนนี้จะด่าเลยนี่นี่เนี่ยคุณคิดแล้วเตรียมแล้วแล้วก็จะเดี๋ยวเจอจะเอาเลยจะซัดให้เลยนี่เนี่ยความคิดอย่างเงี้ยแล้วเจอคุณก็สัดจริงๆเลย นี่แหละเนี่ยแหละเนี่ยคือข้อที่หนึ่งนะนี่ยกยกเรื่องเรื่องเดียวเรื่องทางโทสะข้อที่สองดูนะยกตนข่มผู้อื่นนิสยัยยกตนข่มผู้อื่นคือคิดว่าเราเนี่ยเหนือกว่าเขาถ้าใครก็ตามมีนิสัยที่ยังข่มคนอื่นเขาคนนั้นจะว่ายากสอนยากเพราะอะไร เพราะคนที่คิดว่าตัวเราเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นวิเศษกว่าคนอื่นแล้วคุณจะเชื่อฟังใครใครจะมาสอนคุณได้ง่ายใช่ั้มเพราะคุณคิดว่าคุณเหนือกว่าใครเขาแล้วเนี่ยใครจะมาสอนคุณนะกับลูกเนี่ยไม่เชื่อพ่อนี่ขนาดพ่อเขานะ พ, พ่อเป็นนักตีกองอะ่ะพ่อเป็นนักตีกองอะ่ะสอนลูกแต่ฐานะลูกแท้ๆเลยคุณคิดดูสิที่จริงแล้ว แม่พ่อเขาน่าจะข่มลูกเขาได้ที่ถูกต้องใช่ไหมตามฐานะแต่ดูสิขนาดพ่อสอนดีๆนะสอนในสิ่งที่ถูกต้องด้วยแต่ลูกนี่เชื่อมั่นตัวเองว่าฉันเนี่ยแน่มากนะฉันจะตีกองไร่โจรห น, นีไปได้นะว่าเนี่ยว่าพ่อกลับมาเลยอะ่ะคิดดูเนี่ยเชื่อมั่นตัวเองแล้วหลงตัวเองอย่างนี้เนี่ยใครจะไปสอนได้ วันนี้คือนิสัยของคนที่ยกตนข่มคนอื่นหรืออยู่เหนือคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นจะไม่ยอมเชื่อฟังใครนี่คือคนว่ายากสอนยากสามก็คือคนมักโกรธทำไมว่ายากสอนยากคนมักโกรธเอาไม่เชื่อคุณดูสิตอนใครโกรธโกคุณไปลองสอนดูสิ <laughs> แล้วคุณจะรู้สึก <laughs> ใช่ไหมลอะ เพอเพอสายแว่นตาอยู่แว่นตากระเด็นนะบอกให้รู้ต้องระวังให้ดีนะเพขาโกรธโกรธอยู่อะ่ะเพราะนั้นต้องดูนะคุณจะสอนใครคุณจะแนะนําใครก็ต้องดูให้ดีเพราะนั้นเนี่ยยิ่งเขาโกรธอยู่นี่คุณต้องระวังเลยเต้องระวังจริงๆนะเพราะฉะนั้นทําไมถึงบอกว่าคนโกรธเนี่ยเป็นคนขี้โกรธเนี่ยคนมักโกรธคือโกรธบ่อยๆขี้โกรธเนี่ยทําไมถึงเป็นคนที่สอนยาก นะเพราะคุณสอนปิดนิดผิดหน่อยหรือว่าบางทีคุณสอนอะไรที่ทําให้ไม่ถูกใจเขาหน่อยโอ้โหเขากโกรธ่ะเขาโกรธล ะ, ลละแล้วคนโกรธง่ายอย่างเงี้ยใครจะกล้าไปสอนละ่ะใช่หรือเปล่าเพราะสอนพลาดพลาดไปเดี๋ยวก็แจกเบนแจกเบนตาดําให้ให้คนอื่นเขาอีกอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหใครก็จะไปกล้าสอน เันคนที่จะกล้าสอนคนขี้โกรธเนี่ยนะโอ้โหก็ต้องแน่นะต้องใจถึงนะแล้วคุณก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีเวลาสอนเขาอ่าต้องใจถึงจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยบางทีเนี่ยถ้าเจอสภาพนี้ถ้าคนที่ไม่ศรัทธาเราเขาถึงไม่สอนเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่ศรัทธาเราเนี่ยนะเราไปสอนเนี่ยโอกาสที่เขาไม่ชอบใจแล้วก็โกรธ เขาเล่นงานเรานี่มีได้มากแต่เขาศรัทธาเราคนนี้บางทีโอ้เราดุเขาไปมั่งเราว่าเขาไปมั่งเขายังมีใจที่เคารพใจที่นับถือนะบางทีโกรธนะโกรธแต่เขายังเออพอที่จะระงับยับยั้งใจนะไม่แจกแว่นเราเพราะฉะนั้นเรายังว่าเออยังยังจะพอที่ยังจะสอนเขาได้ ยังพอที่จะสอนได้บ้างแต่จริงๆเราก็ต้องประมาณให้ดีถ้าประมาณไม่ดีนะเอาความโกรธนี่ถึงขั้นยังไงคุณคิดดูสิฆ่าคนตายมาเยอะแล้วนะสรุปนะข้อที่สามเนี่ยคนมักโกรธเป็นคนว่ายากสอนยากวันถ้าใครอยากจะว่าง่ายสอนง่ายต้องเป็นคนเออต้องหัดใจเย็นๆฟังเขาดุฟังเขาตำหนิ ฟังเขาวิจารเราเสียเสียให้หายเนะี่ยต้องหัดแม้ว่ามันจะรับยากก็ต้องหัดหัดฝึกนะฝกหัดฝึกรับลูกให้ได้นะแล้วก็ฝึกใจเย็นๆนาะยังไงก็กัดฟันไว้กัดฟันให้นั่นพยายามอย่าให้ปากมันอ้านะ <laughs> บางคนนี่กัดฟันนี่นะโหเขี้ยวฟันดังเอียดเอียด <laughs> คนดุคนบ้าเลยไม่กล้าเลยคนนี้อ่าข้อที่สี่ควนี้โอ้โหขาวนี้ยิ่งหนักข้ออหญ่เลยข้อที่สี่คือมักโกรธแล้วผูกโกรธไม่ใช่โกรธธรรมดาข้อเมกี้นี่โกรธธรรมดาบางคนโกรธแล้วก็หายใช่ไหมบางคนนี่นะเราพูดไปสอนไปปั๊บโกรธไม่ชอบใจแต่เดี๋ยวบางทีนี่พออารมณ์เขาเย็นๆเขาก็นึกได้ เขาก็คิดไดใช่ไหมเออเมื่อกี้นี้ก็ศเรามาถูกกันนะสอรเรามาดีนะหายโกรธอ่าก็อะไรมาเป็นเพื่อนกันอย่างเดิมได้หรือว่าเคารพนับถือกันใหม่อีกได้แต่คราวนี้ยิ่งสอนยากหนักขึ้นเลยเพราะไม่เพียงจะเป็นคนขี้โกรธเท่านั้นยังผูกโกรธอีกด้วยคราวนี้หนักข้อมากเพราะคนผูกโกรธเนี่ยเหมือนกับคนอาฆาต คนพยาบาทคนจองเวรลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะคุณคิดดูสิโอ้โหพูดกันไปบางทีนะเรื่องไม่เท่าไร่เลยโกรธเราขึ้นมาโกรธเสร็จแล้วก็เอาไปฝังใจจำอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าผูกเอาไว้อ่ะมันไม่ยอมแกะออกมันไม่ยอมคลายออกเลยอ่ะยังผูกผูกหมายถึงว่าเดี๋ยวเขาก็คิดอีกละคิดมาว่ากูทาไมคิดอีกละมามา ด่าเราทำไมคิดอีกลา ด, ดูซิไอ้นี่มันขัดขวางเราไม่ให้สมใจไม่ให้ได้กินนั่นนั่นไม่ให้ได้ใส ไ, นนไใอน้นี่ไม่ให้ดูหนังเรื่องนั้นไม่ให้ดูหนังเรื่องนี้อ่ะแล้วก็ผูกก็คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยโอ้โหกูยิ่งคิดยิ่งคิดสะสมความไม่ชอบใจไม่ชอบใจไม่ชอบใจไอ้ความไม่ชอบใจที่สะสมไปเนี่ยมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้น ใครล่ะเขาที่ใครจะมาสอนใครจะมาแกไอ้ไอความหนาทึบที่คุณสะสมความไม่ชอบใจนี้ไว้ได้ไง่ายๆลันก็ยากก็สินะพวกนี้เป็นพวกโกรธง่ายหายยากประเภทนี้ประเภทที่สี่ประเภทที่หนักที่สุดคือพวกโกรธง่ายแล้วหายยากนี่คือมักโกรธแล้วผูกโกรธ ส่วนประเภท อ, อื่นๆคุณไม่อาตมาจาไม่ได้แล้วเคยเทศไว้ในมวนไหนก็ไม่รู้ <c oughs> นะอ น, นันไปหาฟังเอาเองมันจะมีโกรธง่ายหายยากโกรธง่ายหายง่ายแล้วก็โกรธยากหายง่ายแล้วก็โกรธยากหายยากนะไปหาฟังเอาเอง <c oughs> อ่ะตอนนี้ข้อที่หกอ่ะข้อที่ห้าโอ้โหยังนี้ไม่พ้นความก่ออีกนะ มักโกรธแล้วเราแวงจัดเอโอโหนี่แม่พูะเจ้านี่แยกความโกรธไว้หลายอันเลยนะคือข้อที่ห้านี่มักโกรธแล้วเราแวงอันนี้ไม่ได้อาคาตไม่ได้ไปจองเวรคือถ้าผูกโกรธอยู่เนี่ยมันมเดี๋ยวต้องหาทางเล่นงานอะไรนะไอ้นี่อาจจะไม่ได้ไปเล่นงานใครเขานะแต่ความเราแวงคุณเข้าใจั้ยอันนี้ไม่ใช่ใช้คำราแวงธรรมดานะใช้คาว่าระแวงจัด คือราแวงเอามากๆเราแวงนี่ก็คือกลัวกลัวว่าอะไรกลัวว่าเดี๋ยวะจยังงั้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะอย่างยี่หรือเปล่าแต่เราแวงเปในทางไม่ดีนะ <c oughs> คําว่าเราแวงนี่ใช้ไปในทางไม่ดีใช้ไปในทางลบสมมุติเราโกรธใครอย่างเงี้ยเราโกรธใครเสร็จแล้วก็คิดเหมือนกับเพ่งโทษอ่ะคิดไปในแง่ลบๆแง่เสียๆของเขาอยู่เรื่อยเลยอยู่ตลอดเลยใครที่เป็นคนขี้โกรธแล้วขี้ราแวงอย่างเงี้ย โอโหใครจะไปสอนได้อ่ะบางทีนี่พยายามมาพูดนุ่มๆพยายามพูดเย็นๆ น, นะให้กับคนนี้แล้วนะไอคนนี้มันไม่เชื่ออันนี้เย็นผิดปกติเย็นผิดปกติหวานเกินไปหรือบางทีโอ้ยนี่มันใจดีเกินไปมันมันมีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าคนขี้ระแวงจัดเนี่ยสอนยากเพราะมันมันจะคิดแต่ในแง่ลบในแง่ร้าย ม้อบางทีเนี่ยนะไปเจอคนที่เข้าใจดีจริง ๆ, <c oughs> ๆเขามีความเมตตา <c oughs> เขามีความเอ็นดูเขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จริงๆ <c oughs> บางทีเนี่ย <c oughs> เขาก็ให้เราโดยไม่ได้คิดหวังผลตอบแทนอะไรอะ่ะแต่เราอดไม่ได้อ่ะนะขอ <c oughs> ให้เรามาปั๊บไอ้ ي, นี่ไม่รู้จักกันอยู่ดีมาให้กูนี่มันหวังอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาละเริ่มแล้วะยิ่งคราวนี้ ถ้าเรามีทรัพย์สินเรามีเงินทองหรือว่าเรามีข้าวของมีค่าหรือมีอะไรอยู่นะมีใครมาทําดีกับเราเนี่ยมันเอาแล้ะสิคนนี้อดคิดไม่ได้เลยไอ้นี่มันคงจะต้องมาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราแหละอืมนะหรือบางทีอะนะพ่อแม่เนี่ยพอพอเห็นลูกมาประจบหน่อยนะลูกมาทําเป็นเสียงอ่อนเสียงหวานหน่อยเอาแล้วพ่อแม่ถามแล้วอยากจะได้อะไรล่ะ นะแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ในนี้เนี่ยท่านตรัสเอาไว้เนี่ยท่านมีคําว่ามักโกรธนํามาก่อนแล้วก็ระแวงจัดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนที่ขี้กโกรธเนี่ยแล้วก็ขี้ระแวงไม่มีใครสอนได้สอนได้ยากมากเลยอาจจะสอนได้นะแต่ยากมากคือพูดง่ายว่าโอ้โหคนนั้นน่ยคนที่จะมาสอนคนเนี้ย คนที่มักขี้โกรธแล้วมั่กระแวงเนี่ยโอ้โหต้องอดทนมากๆนะต้องอดทนทําจนกระทั่งไอความระแวงของเขาเนี่ยมันลดลงลดลงลดลงจนเขาวางใจเขาเชื่อใจนั่นแหละใช่ไหมคุณถึงจะเออเออถึงจะเชื่อคนนี้แต่ถ้าตาบใดคนนีย้ยังระแวงจัดอยู่ะโอ้โหคุณทําดีไปเฮ้อครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สิบอาจะต้องเป็นครั้งที่ร้อยหรือเปล่าไม่รู้นะ ไอ้ความกี้ระแวงนี่ก็ถึงจะลดลงพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอ้าวอย่างนี้ก็เลยเดี๋ยวก็คิดว่าใครๆก็ดีหมดเหลอไม่ใช่พ่อท่านมักจะใช้สองคำที่ให้พวกเราเนี่ยแยกแยะให้ดีคํหนึ่งคือคําว่าระแวงอีกคาหนึ่งคือระวังเราเนี่ยใช่นะคบหาใครต่อใครเออก็ต้องระวัง เพราะไม่เพราะว่าไม่ระวังก็อาจเจ็บได้เพราะงั้นก็ต้องระวังแต่ไม่ใช่ระแวงระแวงนี่มันคิดกับเขาแต่ในแง่ลบแต่ระวังนี่โอ้เราไม่ได้คิดคนแต่แง่ลบสิเราก็คิดต้องคิดแง่บวกด้วยสิว่าเออคนนี้เขาอาจจะมาเจ ต, ตนาดีจริงๆก็ได้แต่เราต้องระมัดระวังตัวไว้นี่คือระวังคนที่จะระวังเนี่ยคือคนคิดทั้งสองมุมทั้งสองด้ แต่คนละแวงนี่คิดด้านเดียวคือคิดแต่แง่ลบเท่านั้นด้านเดียวนะนี่คือความแตกต่างกันอ่านี่คือข้อที่ห้าเพราะฉะนั้นเรามีอย่างนี้อยู่ไหมถ้าเรายังชอบคิดแง่ลบกับคนเรายังช อ, ชอบระแวงอยู่มากๆนะเรายังเป็นคนใครมาสอนได้ยากอันตมาจําได้สมัยยังไม่ปฏิบัติธรรม นะ้าอยู่กับโลกโลกเขาเนี่ยโอ้โหยิ่งอยู่สังคมโลกโลกภายนอกนี่นะหมายถึงนอกนอกคนที่เขาถือศีลปฏิบัติธรรมบอกตรงๆเลยต้องระแวงสมัยโน้นอ่ะนะแล้วมันระแวงจริงๆเพราะว่าเชื่อเชื่อใจใครง่ายๆได้ไงมันกลายเป็นระแวงอะ่ะเพราะว่าโอ้โหบางทีเราได้อ่านข่าวเราได้ฟังอะได้วยนี่โอ้โหคนมันเลวร้ายจริงๆในสังคมอะ่ะ ว่ามันอดไม่ได้มันต้องคอยเราแวงคอยเราแวงก็ยเราแวงเอ้ไอันนี้มันจะมาเลวมาร้ายมาหลอกเราหรือเปล่ามาโกงเราหรือเปล่านะหรือว่าเอ้มันดูหน้าตามันแล้วมันเหมือนออกจากคุกหรือเปล่าวะเ น, นี่ยมันระแวงแล้วมันต่างจากพอมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วเออเราเริ่มมีความระวังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความระวังนี่เป็นความไม่ประมาทคุณต้องเข้าใจ พุทเจ้าสอนให้ไม่ประมาทแต่เราไม่ประมาทกับคนเนี่ยโดยเฉพาะกับคนหรือกับสัตว์ก็ตามแม้แต่บางทีสัตว์เลี้ยงเราเองเนี่ยคุณประมาทยังไม่ได้เลยที่บางคนยังเลี้ยงสัตว์เยอะนะกณยังประมาทไม่ได้เลยคนเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยตายมาเยอะแล้วนะเพราะสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ยออเพราะไม่ระวัง